เรื่องหลวงตาที่ผมได้สัมผัสโดยทนิษฐสีกลิ่นดีธรรมะของหลวงตาท่านเป็นหนึ่งไม่มีสองผมมีโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิดหลวงตาอยู่ระยะหนึ่งและได้ติดตามบันทึกเทปการแสดงธรรมของหลวงตาหลายวาระด้วยกันผมประทับใจในธรรมะที่ท่านเทศเป็นอย่างยิ่งชัดเจนและตรงไปตรงมา ไม่มีการเอาใจใครทั้งสิ้นคนทุกชั้นวรรณะสามารถซึมซับและสัมผัสข้ออัดข้อธรรมของหลวงตาได้เท่าเทียมกันทุกคนแต่ผลลัพธ์นั้นขึ้นอยู่กับวาระจิตของแต่ละบุคคลงานทุกอย่างที่เหล่าลูกศิษย์ร่วมกันทำถวายหลวงตาล้วนสำเร็จได้ด้วยแรงศรัทธาในองค์ท่านอย่างแท้จริงผมถือเป็นสิ่งสาคัญยิ่งในชีวิตของผม ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์อัลบัามเพลงธรรมะลีลามหาบุรุษรักแผ่นดินร่วมสร้างปรากฏการอันยิ่งใหญ่ผาป่าช่วยชาตินับเป็นการรักษาพืนแผ่นดินไทยด้วยธรรมะนำโดยหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนอย่างแท้จริงงานนี้สาธุชนทั้งหลายล้วนทราบกันดีอยู่แล้วว่ายิ่งใหญ่เพียงใดขอกราบหลวงตามหาบัวด้วยชีวิตทาใดที่หลวงตารู้แล้วเห็นแล้ว ขอให้ลูกนี้รู้เห็นธรรมนั้นตามหลวงตาโดยเร็ววันด้วยเถินลงชื่อทนิตสีกลิ่นดี